ฟังธรรมกันอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อนำไปปฏิบัติก็เอาการได้ยินได้ฟังไปประกอบบางทีก็ทำให้มีบางทีก็ทำให้สิ่งต่างๆไม่มีไม่เกิดขึ้นเช่นเจริญสติ ไปในกายต้องเอากายผิดความรู้สึกตัวทำให้มันมีเวลาใดที่มันหลงก็ทำให้ความหลงมันไม่มีเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หล ง, งนะเห็นกายเมื่อเห็นกายไปมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกาย ภาษาวัดภาษาพระเรียกว่าเวทนาเวทนานั่นเป็นเป็นสูตรมีอยู่ในกายแต่เมื่อมันเกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นกับกายก็อย่าไปเอาสุขเอาทุกข์อย่าไปเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเวทนาอย่าให้มันสุขมันทุกข์ ไม่ใช่ว่าอย่าให้มันสุขมันทุกข์ให้เห็นว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่ไปสุขไปทุกข์สุขเขเวทนาทุก ข, ข, ขเวทนาคนะือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเวทนานะแล้วก็ไม่ให้มันเป็นใหญ่พอสติเมื่อเขาไปเห็นแล้วมันก็มันก็ลบทาให้ไม่มีค่า เห็นความคิดอย่าไปหาผิด้าถูกเกี่ยวความคิดอย่าไปเอาผิดเอาสูกเอาทุกข์เกี่ยวความคิดอย่าไปเอาสุขเอาทุกข์กับความคิดให้เห็นว่ามันคิดเฉยเฉยมันก็ไม่มีค่ามันก็ไม่มีค่าเมื่อเรามีสตินะ <c oughs> ไม่ใช่ไปเอาเหตุเอาผลไปคิด เอาเหตุเอผลจบความคิดไปเอาเหตุเอผลจบความสุขไปเอาเหตุเอผลจบความทุกข์เพียงแต่มีสติวัยวัยมีสติสร้างสติมีสติเมื่อมีสติมันก็ทําให้สิ่งต่างๆไม่มีเหนือสุขเนื้อทุกข์บางทีมันก็เห็นทำที่มันมาครอบงม กายจิตเป็นกุศลเวรุกุศลกุศลก็คือความสงบความสุขปิติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาบางทีก็มีได้บางทีก็เป็นความง่วงเหงาหานอนความลังเลสงสัยความชิดผุ่งศารจับจั บ, จ, บจดจดที่มันครอบงำชีวิตจิตใจของเรา นั่นเรียกว่าทำพอให้เห็นมีสติมันสุขก็จะไปเอาสุขมันรู้ก็จะเป็นผู้รู้มันไม่รู้ก็จะเป็นผู้ไม่รู้ให้เห็นมีสติเรื่อยไปสิ่งต่างๆเรานี่เราไม่ได้ไปหามันมันเกิดขึ้นมาเองเราก็เห็นแล้วเห็นเล่าเราก็มีสติไปเรื่อยๆ อย่าไปค้องไปแวะบางอย่างมันก็ชวนให้ค้องแวะมนอาสาทะบางอย่างมันก็เกิดความอึดอัดขัดเครื่องถ้าอึดอัดขัดเครืองมนก็ค้องแวะเหมือนกันค้องแวะในความผิดค้องแวะในความถูกก็มีผู้ที่จเจริญสติก็ไปเรื่อยๆมีความรู้สึกตัว <c oughs> ไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวที่เราสร้างมันก็ไปประกบไปประกอบไปประสบการณ์ไปได้บทเรียนจากสิ่งผิดๆทุกๆจากสิ่งสุกๆทุกๆุกสติมันลอยตัวเห็นอาการต่างๆนะคุัู้ปฏิบัติทำต้องทำอย่างนี้จะไปหาจะไปอยากได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับความอยาก สติมันไม่เหมือนมันไม่ใช่ความอยากเพราะว่าสติมันก็ไม่มีอะไรไ ป, ปเปื้อนแล้วไม่มีความสุขความทุกข์อยู่ในสติไม่มีความอยากความเบื่ออยู่ในสติไม่มีความสุขความทุกข์อยู่ในสติมันเป็นโลกเหนือโลกมันเป็นโลกที่อยู่เหนือโลกหรือนอกโลกครอบงำไม่ได้โลกทั้งหลายครอบงำไม่ได้ สติปัฏฐานไม่เหมือนสติธรรมดาสติปัฏฐานมันออกมาดูมันไม่เข้าไปอยู่มันคิดก็เห็นแต่สติธรรมดามันก็ไปกับสิ่งต่างๆไปกับสิ่งต่างๆคิดทำดีแล้วก็ทำดีบางทีก็เป็นทุกข์เพราดีไปเอาผิดเอาถูกจากการทำดี มันทำชั่วมันก็รู้ตัวมันก็ทำความชั่วมันก็ทำความชั่วได้สำเร็จสติธรรมดาดูจากทำโ น, โน่นทำนี่คิดโน่นคิดนี้ใช่สติใช่สมองใช่เหตุใช่ผลแต่สติปัฏฐานมันไปก่อนมันไปก่อน มันไปด่วนๆสักหน่อยก่อนถ้าจะเป็นการเดินทางก็ไปด่วนๆก่อนอไปให้ถึงก่อน <c oughs> พอไปให้ถึงแล้วมันฉลาดขึ้นมันรู้จักทีหลังก็มีผ่านมาแล้วจึงค่อยรู้บางครัง้งไม่ใช่ไปรู้ก่อนรู้ผิดก่อนผิดถูกก่อนถูกสุข ก, ก่อนสุขทุกข์ก่อนทุกข์ไม่ใช่ ไปก่อนอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างเจริญสติผ่านไปก่อนจับหลักไว้ก่อนผ่านไปก่อนไม่ใช่ไปอยู่ไม่ใช่ไปคล้องไปติดระหว่างการเจริญสติถ้ามันคล้องมันติดระหว่างการเจริญสติมันก็ไม่ไปทางไหน บางทีก็ไปเอาผิดอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไปเอาถูกอยู่ชั่วโมงถึงชั่วโมงไปเอาลู่ไปเอาไม่ลู่อยู่ก็เสียเวลา <c oughs> ไปเอาสุขเอาทุกข์อยู่ได้มันก็ได้สิ่งเหล่านั้นไะได้สุขได้ทุกข์ได้ลู่ได้ไม่ลู่ได้ผิดได้ถูกอันนั้นไม่ใช่ผู้ที่เจริญสติผู้ที่เจริญสติมันมีแต่ผ่าน อะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเจริญสติมันเป็นการผ่านมันเป็นมัดที่มาปฏิปทาผู้เจริญสติจริงจริงมันได้ทางแล้วก็มีปัจจัยมีเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกเรื่อยๆไปแม่แต่ความหลงก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสุขความทุกข์คาเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัว ก่นผิดการถูกหนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัวเอาไปเอามามันก็อนเลียวไหลทั้งนั่นแหละเชิงต่างๆ <c oughs> มันไม่จริงอะไรหรอกถ้ามีความรู้สึกตัวผ่านๆไปก็เหลวไหลไม่มีค่ามันโชว์เรื่องที่เหลีวไหลมันโชว์เรื่องไม่จริงความรู้สึกตัวมันเห็นนะ ในแต่กายนี่มันก็เห็นเห็นเป็นลูปเคลื่อนมันไหวมันลู่มันครบมันชิดมันโลดมันน้ำมันก็เป็นนามมันก็โชว์โชว์รูปโชว์นามในรูปในนามในกองรูปในกองนามรูปมันก็โชว์นามมันก็โชว์การโชว์ของรูปมันก็เป็นรุ่นเป็นก้อนได้ความฉลาด จากที่มันเข้าไปเห็นมันก็เป็นเรื่องเดียวมันพูดมาวันนี้เรื่องของโูกเรื่องของนํามันก็แสดงเรื่องเดียวนั่นแหละเหมือนละครที่เขาแสดงเรื่องเดียวหนังที่เขาแสดงเรื่องเดียวไม่มีใครที่จะไปดูเสียเงินเสียนองดูแล้วดูเล่าเสียเวลาผูเ้เจริญสติก็เหมือนกันเห็น ธรรมชาติของลูกเห็นอาการของลูกเห็นธรรมชาติของนามเห็นอาการของนามเขาโชว์แต่เรื่องเดียวมันก็จืดเมื่อมันจืดมันก็เกิดยิ่งเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นกิเลสตัณหาเห็นสังขารการปรุงกันแต่งมันก็เกิดเวลาคะความเบื่อหน่ายมันไม่มีสารละเลี้ยวไหลน มันก็หลุดก็พ้นมันไม่คล้องไม่ติดการหลุดพ้นมันมีรสชาติการค้องติดมันก็มีรสชาติรสชาติแห่งความความทุกข์รสชาติแห่งความเหลวไหลมันก็เกิดเวลาคเบื่อหน่ายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็มันก็ไปมันไม่มันไม่เอามันไม่หยุด มันเราเห็นหมูดเห็นครูดเราก็บั่อหน่ายไม่เอาเราก็พ้นไปจากสิ่งที่มันสกปรกสกปรกอยู่ตรงไห น, นก็ทําวามสะอาดอยู่ตรงนั้นความสะอาดมีอยู่ในความสาปกปรกเกิดขึ้นกับรูกกับน้ำมันก็สะอาดได้ในลูกมันก็สะอาดได้ในน้ำ หมดจดอยู่ในรูปในนามเพราะเร า, า ก, ก่อนเราไม่เห็นพอเราเห็นเราก็ทำรูปทำนามให้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนเกิดชีวิตเป็นพรหมจ <c oughs> รรย์แบบพืชพรหมจรรย์ น, นี่การเจริญสติมันไปแบบนี้นะไม่ใช่ไปจับจับจดจดไปเอาชื่อเอาเสียงไปเอาอ สร้างเป็นลทัทธิในกายไม่ใช่เมื่อเราเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นเมื่อเห็นคนอื่นเราก็ช่วยกันได้เพราะช่วยเคยช่วยตัวเราเคยเห็นตัวเราอันเดียวกันช่วยตัวเราเป็นก็ช่วยคนอื่นเป็นรักษาตัวเราได้ ร, รักษาคนอื่นได้ มันก็มีงานมีการแม้แต่เรามาสร้างสติก็เป็นงานของเราเป็นงานของคนอื่นด้วยเป็นการรักษาศินเป็นการทำบุญเป็นการสร้างความฉลาดเป็นสร้างความเป็นการสร้างความสงบรุ่มเย็นหลายหลายอย่างที่เราไม่ได้ใช่ปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ้นเปลืองพลังงานของโลกหลายหลยอย่างที่เราไม่สร้างให้เกิดปัญหาแจ่ส่วนรวม ก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าเรามาเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับน้ำที่มันจะเป็นปัญหาปัญหาอยู่ในรูปในนามแต่ก่อนเราเคยสุบุรีเพราะว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเราเห็นมันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปสิเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามเราก็ละได้เราก็เปลี่ยนได้เราไม่ทาทำให้หมดไปได้ เมื่อเราทําสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปกรรมนามมัก็เหมือนกับส่วนรวมไม่ทําให้เกิดมีปัญหาในส่วนรวมเราจะเป็นประโยชน์ก็เป็นผลกระทบในทางดีในทางที่ทําให้ส่วนรวมคอยหมดปัญหาคอยสงบลมเย็นไปการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อไป ให้คนยกย่องเันร้อเินเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองประโยชน์ต่อคนอื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว่มากๆประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลก ในรูปในานามมันเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นโทษเป็นปัญหานะพระพุทธเจ้าตัดย่ำอยู่เสมอผู้ใดทำประโยชน์แต่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถามหาผู้ใดทำประโยชน์แต่คนอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถามถึงส่วนผู้ใดทำประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นนั่นแหละ คือว่าพระพุทธเจ้าได้สรรเสเริญสรรเสริญการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญอยู่เนี่ยมันไปได้หลายๆอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นการทำบุญเป็นการให้ทานเป็นการบาเพ็ญประโยชน์หลายอย่างบางทีเราก็ มีอา น, นิสงส์ไปพร้อมๆกันเพราะว่าความรู้สึกตัวพาให้เกิดอานิสงส์หลายอย่างเห็นมีสติเห็นรูปเห็นนามบางทีก็ละทุกไปวันละหลายหลายหลยอย่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเราก็ผ่านได้น้อยเราก็ไม่โง่หลงงมงายไม่หมกฝุ่นคุนคิดไม่ กังวลไม่ไปย่อมไปติดสารหมดจดไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นโดยเฉพาะทุกเนี่ยตรงกันข้ามพอดีผ่านที่ผ่านที่ทำให้สมนำหน้ามันคือผ่านทุกนะความทุกที่เกิดขึ้นกับรูปความทุกที่เกิดขึ้นกับนามเป็นมืออาชีพผู้ที่เจริญสตินะเรียวกว่ามืออาชีพในเรื่องนี่โดยตรงอันชื่อว่าทุกเนี่ย กระตือเรือล้นก็ตือเรือล้นมากอันอื่นอันอื่นก็คอยคอยหมดไปเมื่อเมื่ อ, อาชีพในเรื่องการดับทุกข์แล้วอันอื่นก็ไปด้วยกันได้หลายอย่างมีปัญญามีเหตุมีผลหลายอย่างแต่ <c oughs> ถ้าตรงกันข้ามกับความทุกข์ปัญหาหน้าตรงกันข้ามพอดีมันผ่านตรงนี้พอดีถ้ผ่านความทุกข์ก็เป็นศิลปะง่ายทุกอยู่ที่ไหนความว่าทุกข์แต่โดยตรงโดยตรงจนเป็นมืออาชีพนะเลิกสูบูรีเลิก งหลงงมงอยไม่คิดไม่ทำไม่พูดอันเสียงที่มันเป็นทุกข์ไม่คล่องไม่ติดนะ <c oughs> เป็นความชนานาญในเรื่องนี้โดยตรงถ้าหากปฏิบัติทำแล้วยังมีทุกข์มีปัญหาทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดสับสนวุ่นวายในคล่องอยู่ในความทุกข์หรืไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เจริญสติ ผู้ที่เจริญสติจะทําเรื่องนี้เป็นง่ายๆง่ายกว่าเรื่องอื่นง่ายกว่าเรื่องอื่นภาวะทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายกว่าเรื่องอื่นเป็นการชานิชานาญกว่าเรื่องอื่นแต่ผู้ปฏิบัติจะมาพูดถึงว่ามันทุกข์อย่างนั้นมันทุกข์อย่างนี้มีปัญหาเหมือนก็ไปผ่าตัดเมื่อกี้นี่ยนักปฏิบัติดเดิมเขาก็มาพูด เรื่องของปัญหาเรื่องของทุกข์ต่างๆเขบอกว่ามันไม่ใช่ผู้ปฏิปธทําไม่มีคําพูดแบบนี้แสดงว่ามันมันเสื่อมเป็นเป็นกุปธรรมแล้วมันเสื่อมแล้วต้องพื้นตัวขึ้นมาอย่าเอาคําพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดอย่างนี้แต่พูดอย่างนี้มันก็ติดแล้วมันปเปื้อนแล้วเป็นดับเบิ้ลมันย่ําแล้วมันย่ํามันอยู่ตรงนั้นแล้ว เหมือนกัเป็นโรคเป็นแผลทาให้เลือดออกอยู่เสมอทําให้เลือดออกอยู่เสมอไม่รักษาแล้วก็ก็เป็นแผลแล้ก็อักเสบแล้วก็เลือดหลังคําพูดบางอย่างคําคิดบางอย่างการกระทําบางอย่างมันทําให้เกิดการเลือดหลังในโลกทัองหลายกลายเป็นโลกไร้ไปเลยโอ้เจริญเสติไม่ต้องไปทําอย่างนั้น มันโรคไร่เราคือดีแล้วจะได้เห็นมันจะได้รักษาจะได้รักษาแสแดงว่าเรามีโรคเรามีแผลต้องเอาใจใส่ต้องเป็นงานเป็นการต้องล่างต้องใส่ยาต้องรักษามันหายการปฏิบัติธรรมที่เป็นโรคของจิตวิญญาณก็เหมือนกันบางทีเราไปไปสร้างไป ไปเกี่ยวขอ้องเช่นความคิดคำพูดการกระทำกิริยาการต่างๆแสดงออกถึงทำให้เกิดโลกก็มีเหมือนกันตาก็เกิดโลกหูก็เกิดโลกหาสแสวงหาสุขสนความคิดก็สุขสนตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกรสกลิ่นเสียงสุขสนเป็นอาชีพไปทางนูน้น ก็ไปสร้างรูปที่เปนเจริญงอกงามเป็นสังขารหัว ก, ก็ไปอันนั้นแหละมันเกิดโลกผู้ที่เจริญสติจริงๆมันจะสํารวมอายตนะไปในตัวมันจะมาสร้าง อ, าอินทรีย์ใหม่คือสติอินทรีย์ก็เมื่อสติอินทรีย์เป็นใหญ่มันงอกงามขึ้นมาอายิยตนรทั้งหลายก็ สำมรวมลงหยุดลงไปในตัวเสร็จนะสตินินนี่เป็นใหญ่มีอำนาจอะไรลู้อะไรลูกจับตาจับหูไม่ใช่เลยตาหูจมูกเลี้ยกายใจหลบลสกลิ่นเสียงต้องเขาจะว่าแล้วมันเป็นบริวารไม่ใหญ่ฮนะไม่ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ไม่ได้เพราะมันมันหมดอำนาจไปแล้ว เพราะความรู้สึกตัวมันเป็นสติอินทรีย์เนี่ยมันสร้างความเป็นธรรมเหมือนกับความเป็นธรรมที่อยู่ในโลกกระบวนการแห่งความเป็นธรรมก็ยังคงอยู่เราจึงได้ความเป็นธรรมจากการเจริญสติไม่ใช่เล็กน้อยมากมายมหาศาล เคยสุบุรีไม่เป็นธรรมต่อรูปต่อน้ำเลิกสุบุรีเกิดความเป็นธรรมเลิกหลงเลิกโกรธเลิกทุกข์ไทยเป็นธาตุไทยทอดจากความเป็นธาตุออกมาสู่เป็นอิสระเป็นอิสระปลดปล่อยปลดปล่อยรูปปลดปล่อยนามที่เคยทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเคยทุกข์ คอยโกรธคอยโลภคอยหลงปลดปล่อยออกมามีสติมีสมชัญญะเนี่ยแม้บางทีมันมีโลกกันเื่นก็คอยสงบลงไปฟื้นขึ้นมานะการเจริญสติไปอย่างนี้นะมันพ้นไปมันมีผลมันเป็นมรรคเป็นผลทันที ม, นทมันทำมันทามรรคทำผลทันที มันเป็นมรรคเป็นผลทันหูทันตาทันหูทันตามันหลงลกวารู้ทันทีหลงเป็นเหตุให้เกิดความลูกรู้เป็นเหตุให้เกิดความลูกสุขเป็นเหตุให้เกิดความลู ก, ก, ลกอะไรต่างๆมันเป็นผลไปในตัวไปได้ผ่านได้เหมือนคนเดินทางเอาบ้านนั่นบ้านนี่ไว้หลังเรื่อยไป แม่มันมีอยู่ก็ต้องวหหลังเลยไปผ่านไปเรื่อยไปผ่านอย่างเดียวหลายครั้งหลายหนเกิดขึ้นเพื่อให้ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปความนามเป็นทางผ่านของการเจริญสติพาให้ผ่านพาให้หลุดให้พ้นไปแล้วเราก็มีการกระทําการกระทําการเจริญสติง่ายง่ายหิบตาก็รูดได้คืินน้ำลายก็รูดได้ หาปฏิบัติโดยตรงยกมือสร้างจงว่าเป็นการรวมพลังเป็นการฝึกพลพลังแห่งการลบมันพร้อมมันพร้อมเราสร้างไว้เราก็ใช่ไปกับชีวิตประจำวันหลายๆอยา่างใช่กับชีวิตประจำวันเพราะว่ากายของเราเนี่ยมันไม่อยู่นี่งมันก็อิดคอนหินมันเป็นการอ จเจริญสติไปในตัวในที่สุดในรูปในนามมีแต่สติไม่มีอ่นอื่นเป็นหนึ่งเอ ต, เอตคัคตะเอกขตารวมเป็นหนึ่งคือความรู้สึกตัวรวมเป็นหนึ่งคือความรู้สึกตัวชีวิตคือความรู้สึกตัวเอาไปเอามามันก็ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่การเคลื่อนไหวไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอน ม, ม, มันเป็นความรู้สึกตัวมันเป็นความรู้สึกตัวทํางานทําการมันเป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นทําดีทําชั่วไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกตัวมันลบลบดีลบชั่วลบสุขลบทุกข์มันเป็นความรู้สึกตัวมันเป็นความรู้สึกตัวไม่ได้ไม่ได้ไปหามันที่สุดมันท e ี่สุดมันที่สุด มันมีที่สุดของรูปของรามมันมีที่สุดของการกระทำความรู้สึกตัวไปอันเดิน้าไปไม่ได้มันสุดแล้วรู้สึกตัวมันสุดแล้วรู้สึกตัวมันสุดแล้วมันสุดแล้วในรูปในนามมันเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นหนึ่งแล้วในกองรูปกองนามเป็นหนึ่งแล้วเมื่อมันเป็นหนึ่งมันก็ต้องมีอะไรแต่ว่าหนึ่งมีค่าหนึ่งคือความรู้สึกตัวนะ ไม่ใช่มันมันไม่มีอะไรมันมีถ้าพูดแบบหนึ่งมันก็ไม่มีไม่มีสิ่งที่เป็นคู่ควรหนึ่งนะตัเช่นโกรธไม่โกรธนี่มันเป็นคู่อยู่ทุกข์ไม่ทุกข์มันเป็นคู่อยู่เมื่อมันเป็นหนึ่งก็ไม่มีอะไรพูดแบบไม่ใช่พูดให้คิดนะพูดพูดแบบมันทางมันเป็นทาง กรราทางไม่ต้องคิดนะการเดินทางไม่ต้องไปคิดไมันเดินไป เ, เองการกรรมาฐานไม่ใช่สอนให้คิดนะเรากกรรมาฐานเป็นการสอนให้ทำเหมือนกับบอกเดินทางพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกการเดินเป็นของหน้าที่ของเธอไปไปทางนี้พวเราก็เดินไปเลยไม่ใช่ไปคิดนะทำไมจึงเดินไม่เดินไม่ได้หรือเดินมันง่ายไม่เดินมันยากอะไรต่างๆคิดไป แล้วยากก็ง่ายตั้งแต่เริ่มต้นเพียงแต่อบอกก็ยากแล้วง่ายแล้วผิดแล้วถูกแล้วอผิดแล้วถูกแล้วบางคนตาเห็นก็อา้าคิดไปแล้วอย่างก็มาเห็นรูปเขียนวิธีสร้างจังหวะอยู่สาลานาถนพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้หรือเปล่าทำไมจึงทำรูปเหมือนพระพุทธเจ้าก็ปุ้งแต่งไป ทำไมจึงมาพระพุทธเจ้าได้สร้างเจ้าอย่างนี้หรือเปล่าทำไมจึงเอาเรื่องอย่างนี้มาเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าใครเป็นคนทําเอ้าคิดไปแล้วเห็นอะไรก็คิดไปแล้วมันความคิดมันเจริญมากไปไกลเอาผิดเอาถูกเห็นรูปก็เอาผิดเอาถูกเมื่อเอาผิดเอาถูกเปิดปัญหาทําไมทําไมทําไมอะไรหลายหลายอย่างอ่าล้วก็เลยเรื่องมากมันไม่ผ่าน มีผิดมีถูกตั้งแต่ตาเห็นมีผิดมีถูกตั้งแต่หูได้ยินมีผิดมีถูกตั้งแต่จมูกได้กลิ่นเล่ได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดโอ้พอลงพอหลังมากมา ก, การเจริญเสติเนี่เรื่องเล็วไหลหมดแ น, น่นะอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละเหมือนพระพุทธเจา้าของเราแปล ลูกศอนมาเปลนดอกไม้ทูบเทียนเขาด่าเขาเนนทาเขาฉลนเสิร์นอะไรก็ตามมันเป็นบน่นมันเป็นการบูพรมมันเป็นการบูชามันเป็นการปูพรมขุกข่าโยู่หน่อยทําให้เรียบไปเนนทาฉันรเสิร์นมันก็คลื่นเรียบไปเลยตัดไปเลยเรียบไปเลยเรียบไปเลยเรียบไปเลยเ เส้นทางของชีวิตมันตรงเรียบแบบนี้ไม่กระทบกระทือนะไม่กระทบกระทือนแต่ยังมีกระทบกระทือนไม่มีทางแล้วไม่ได้ทางแล้วไม่ได้ทางเข้าลกเข้าพรงกับของชีวิตเราชีวิตจริงๆนะมันไม่กระทบกระเทือนถ้ากระทบกระทือนไม่ใช่ชีวิตความสุขไม่ใช่ชีวิตความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตปัญหาต่างๆไม่ใช่ชีวิตชีวิตคือชีวิต อลู่สึกตัวเนี่ยคือชีวิตลู่สึกตัวไม่เป็นอะไรกับอะไรได้ชีวิตเราได้ได้ชีวิตชีวิตแบบนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวตรงนั้นจะไปอยู่กับมันเน้นหิวเป็นเจ็บเป็นปวดจะไปอยู่กับมันการผิดการถูกจะไปอยู่กับมันโทษโน่นโทดนี่ไม่ไม่เอาโทษตัวเองโทษคนอื่นไม่เอาแล้วเออมองเห็นอ่ะมองเห็น ความเป็นจริงไม่มีการโทษใครไม่มีการไปข้องแวะอยู่กับอะไรปัญหาต่างๆที่กับเกิดกับปัญหาสิ่งต่างๆไม่มีนะแก้ตัวเราก่อนคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นถ้าเราแก้เราแล้วคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นแต่มันมักจะได้ถ้าแก้เราได้มักจะได้แล้วก็เป็นงานเราจะต้องขยายไปไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไป ให้คนอื่นไม่เบียดเบียนเขาไปให้คนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นต่อไปอย่างนี้นะขอให้ผ่านไปก่อนขอให้ผ่านไปก่อน อ, อัตาทิปฏเตยยะอธิปฏไตยเริ่มต้นจากเราโลธรรมมาอโลกาทิปฏเตยยะแล้วมันก็เป็นเพื่อโลกไปเลยแล้วก็ธรรม า, าธิปฏเตยยะก็เพื่อธรรมที่สุดก็เพื่อธรรม จากตนจากโลกจนถึงธรรมเป็นไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมจเจริญสติปัฏฐานตามสูตรเทพปุโรหิเจ้าพาให้พระปุโริเจ้าได้ตัดสู่คือสูตรสุตนี่แหละสูตรกายสูตรใจสูตรรูปสูตรนามมีอยู่สูตรนี่จบสูตรนี่ก็จบไปทั้งหมดแล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรมีสติลงพื้นที่ของกายของจิตไปเลย จะเกิดการเห็นอะไรต่างๆมากมายหรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าไม่มีพลังแห่งความรู้เนี่ยก็หลงง่ายๆพลัดไปง่ายๆเราจึงสร้างไวจําเป็นเราจึงมาสร้างเป็นจังหวะยกมือเขื่อนไว้ไปมารู้สึกตัวเยิ่มแยีย่ยมแจ่มใสทําให้มีไปเลยจะไปบูดเบื่อตึงเครียดจะไปเอาเหตุเอาผลสร้าง ส, างสติ ด, ดุ่นดุ่นก้อนๆไปก่อนอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม ช่วยตัวเองอยู่สงบอยู่ในมุมสงบพบกับตัวเองพบกับสิ่งต่างๆเมืม่อมีสติมันก็จะพบโ น, น่นพบนี้เห็นโ น, น่นเห็นนี่เห็นความหลงเห็นปนัญหาแก้ปัญหาหมดปัญหาไปเรื่อยๆไป อ, อันนี้ก็สมควรแก้เวลา